มีใครอยากจะถามอะไรั้มมาจากที่ไหนอยู่พัยาครับเคยมาบามสี่สิบสองครั้งครับสี่สิบสองครั้งว่ารับนําไว้้วยนะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับก็มาเกือบทุกอาทิตย์เลยมาวันเสาร์อาทิตย์เลยแล้วแต่โอกาสครับ ก็นี่มาถึงสิบแปดสามวันมาถึงเซ็นแปดเลยเซ็นที่ไหนคือที่วัดนะข้างล่างนี่เลยใบสามลงใบสมเคยมาถึงเซ็นแปดหรือเปล่ามาสี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งดีไหมดีครับจิตใจเย็นสบายขึ้นครับธรรมะเป็นของเย็น ศีลสมาธิปัญญาเป็นของเย็นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของร้อนคนแถววัฏยานี่ใจร้อนรูปเสียงกลิ่นรสเยอะยิ่งรอ้อนแต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาถือศีลแปละนั่งสมาธิฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมนะีจะได้ศีลสมาธิปัญญา เป็นทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเต็มร้อยผู้นั้นก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เต็มร้อยถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเพียง 50% ก็หลุดพ้นได้เพียง 50% ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อย รักษาศีลบริสุทธิ์ให้ตลอดเวลาจิตมีความสงบตั้งมั่นสักธรรรู้อยู่ตลอดเวลาปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราถ้ามีความเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่มีความอยากได้อะไรถ้าเห็นว่าสุขเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นของเรา ก็อยากได้อยากมีอยากเก็บเอาไว้พอมันไม่เที่ยงมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันเองเราจึงไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเราไปเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันเป็นของเราเราจึงทุกข์กันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน นีคือปัญญาที่เราควรที่จะสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเพราะว่ามันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันขึ้นมันมีขึ้นในลงมีเกิดมีดับมีเจลิมีเสื่อมถ้าเราไปอยากให้มันไม่เสื่อมเราก็จะทุกข์เวลามันเสื่อมถ้าเราอยากให้มันไม่เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนเราก็ทุกข์ถ้าเราปล่อยมันเฉยๆปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติของมัน มันจะเปล e ี่ยนก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราอยากไม่ให้มันเสื่อมอยากไม่ให้มันเปลี่ยนอยากไม่ให้มันจากเราไปของทุกอย่างมันต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรา ให้มองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่ามีปัญญามองด้วยปัญญาพอมองด้วยปัญญาแล้วใจก็จะเห็นความเป็นจริงว่าของต่างๆในโลกนี้มันให้ความทุกข์กับเราทั้งนั้นถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราไปอยากให้มันเป็นของเราเพราะมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟ เดียวมันก็กับไปสู่ดินน้ำลมไฟคนตายนี่มันไปไหนคนตายมันก็แยกไปกันน้าก็ไปไปที่น้ำลมก็ไปที่ลมไฟก็ไปที่ไฟดินก็ไปที่ดินถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ถ้าเราไม่มีศีลเราก็ทำบาปทำบาปลวเราก็ทุกข์กับบาปที่เราทำทำบาปแล้วก็ทำให้ใจเราทุกข์ไม่สบายใจเพราะต้องไปรับผลบาปถ้าทำสมาธิทำใจให้สงบได้เย็นใจก็จะมีความสุขมีความเย็นสบาย ถ้าใจไม่สงบใจก็วุ่นวายใจก็ทุกข์วิ่งตกกังวลห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงสิ่งนั้นห่วงสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากแล้วพอไม่ได้นังใจอยากก็เสียใจไม่สบายใจถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้ ทำใจให้เน่งใจให้สงบได้ใจก็จะมีความสุขคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรื่องของเขาเราสุขได้กับเขาเขาจะเป็นแบบไหนเราสุขได้หมดถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ แต่ถ้าเราไม่อยากเขาไม่เป็นเราก็ไม่ทุกข์เขาจะเป็นวัวเป็นควายก็เรื่องของเขาเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ทุกข์กับเขาเราสบายเขาดีเราก็สบายเขาไม่ดีเราก็สบายถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาดีแล้วไม่ดี เราต้องมาหยุดความอยากหยุดความคิดกันโดยการหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธจเจริญสติเพื่อไม่ให้ไปคิดในสิ่งต่างๆในเรื่องต่างๆพอไม่คิดแล้วใจก็เบาสบายอะไรจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาฝนฟ้าอากาศจะเป็นยงไงก็เรื่องของฝนฟ่าอากาศ คนจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนราบยศสรรเสริญจะเป็นยังไงก็เรื่องของราบยศสรรเสริญถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวทุกอยาก่างเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากอยากได้หรืออยากไม่มีอยากไม่ได้มันก็ทุกข์ความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากของเราเองเราจึงต้องมาหยุดความอยากกันด้วยการใช้สติบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป ว่ากลุ่มความคิดอย่าให้ไปคิดพ อ, อไม่คิดแล้วใจก็เย็นสบายความทุกข์ก็ไม่มีแต่พอเผลอไปคิดมันก็จะทุกข์อีกถ้ามันจะคิดง่เหมันคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่ทุกข์คิดว่ามันไม่เที่ยงคิดว่ามันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์กับสิ่งต่าง คิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นยังไงก็ห้ามมันไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายปล่อยให้มันกลับไปคืนสู่เจ้าของเดิมกลับไปสู่ลินน้าลมไฟ อันนี้เป็นวิธีดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจของเรางั้นมานั่งทำสมาธิกันนั่งพุโทโธพุโทโธกันเราจะนั่งดื่มน้ำโกโยมนั่งพุโทโธกันไปเราเหนื่อยแล้วขี้เกียจพูดมาก ใครถามก็ไม่ถามจะให้พูดคนเดียวไม่ไหวเอาลัดเอาเปรียบอะไรจะฟังอย่างเดียวทางบ้านมีคำถามไหมเอ้าเข้ามาคงถามจากคุณเทมปุระนั่นสมาธิทุกวันควบคุมจิตไม่ได้เลยค่ะต้องทำอย่างไรอีกบ้างคะอา้าก็ต้องพุโทโธกันนี้ท่องพุโทโธไปก่อน ติดโทไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับถ้าจะคิดจําคิดเรื่องที่จำเป็นจริงๆเรื่องทําเรื่องงานเรื่องการเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรทำนองนี้เรื่องเพอร์เฟกอย่าไปคิดเรื่องอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนู้นอย่างนี้าอย่าไปคิดอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่อยากไป ซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จาเป็นทั้งหลายอย่าอย่าไปคิดให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพุโทโธมันก็ไม่หยุดคิดถ้าทํางพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็หยุดคิดคำถามจากคุณวันนาการทําบุญได้ชาติหน้ามันเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะมันได้ทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าทำบุญ ทำบุญชาตินี้ก็ได้ความสุขใจได้ความสบายใจชาติหน้าก็กลับมาดีกว่าเกา่าได้เงินได้ทองมากกว่าเก่าที่เรามีอยูอ่เวลาตายไปก็ไปสวรรค์กรรมเกิดใหม่ก็รวยกว่าเกา่าสวยกว่าเกา่าเห็นบุญมีประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต คำถามจากคุณสุวัฒนาถูกพี่โกงเกี่ยวกับเงินและธุรกิจต้องวางใจทําอย่างไรคะก็บัคกี้บอกแล้วว่าไม่เที่ยมมันมาได้มันก็ไปได้มันไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้ถ้ามันเป็นของเรามันก็อยู่กับเราแหละถ้ามันไม่อยู่กับเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราถ้ามันเป็นของเราเดิมมันก็กลับมาหาเราใหม่ถ้ามันไม่กลับมาก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา คำถามจากคุณนุชนันการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตอยู่ต้องทําอย่างไรคะยิ้มให้เขาเลยเวลาเจอคนยิ้มาถามทามถามสารทุกข์สุขดีสบายดีหรือจ๊ะมีอะไรให้ช่วยไหมหรือมีขนมก็แบ่งให้เขากินมีเงินก็แบ่งให้ก็ใช้ทําความดีกับเขาเรียกว่าแผ่เมตตา ให้ความสุขกับเขาเดี๋ยวเขาก็รักเราเองใช่ไหมบเวลาผู้ชายจะไปจีบผู้หญิงก็ทำไงทำให้ผู้หญิงรักผู้ชาย<ๆ>เขาก็หาขนมมาให้หาข้าวหาของมาให้พาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นนเดี๋ยวผู้หญิงก็รักเองใช่ไหมเมตตาอยากจะให้ใครรักเราเราก็ต้องให้ความสุขกับเขาทำให้เขามีความสุข ผมก็มีความสุขเขาก็จะรักเราอยากจะอยู่ใกล้เราไม่อยากให้เราจากไปคาถามจากคุณราชาโชคกระผมทำสมาธิโดยไม่มีอาจารย์ได้สอนปกติกระผมจะไม่กำหนดอะไรเลยกระผมจะนั่งสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจให้แผ่วเบาค้ายถอนหายใจให้ยาวแล้วหยุดหายใจครู่หนึ่ง หรือสูตรลมหายใจเข้าแล้วหยุดทู้นึงแล้วใจก็นิ่งปล่อยใจให้ว่างให้อยู่กับการนิ่งขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับอาก็คุณบอกคุณไม่มีอาจารย์คุณปฏิบัติของคุณเองต้องมาให้เราแนะนํำยังไงะเราแนะนํามันก็ไม่เหมือนกับวิธีที่คุณทําำคุณจะคุณทาของคุณได้คุณก็ทําไปสิวิธีเราเราไม่ให้ควบคุมบังคับลง ให้ดูลมเฉยๆลมจะหายใจสัน้นหายใจยาวก็รู้เฉยๆไม่ใช่ไปบังคับมันให้หายแล้วก็ให้มันหยุดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าวิธีนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูลมเฉยๆลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ลมยาวก็รู้ว่ายาวลมสั้นก็รู้ว่าสัน้นให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปควบคุมบังคับลมเหมือนเวลาเราดูหนังเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆอย่าไปเปลี่ยนหนังอย่าไปกำกับหนังว่าไม่เอาต้องเอาอย่างนี้อเอาอย่างงั้นใช่ดูเฉยๆให้เราดูเฉยๆแล้วใจจะสบายถ้าไปควบคุมบังคับลมแล้วใจมันจะไม่สบาย คำถามจากคุณนิพาพรพระประธานห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจริงหรือเปล่าคะไม่จริงหรอกหันหน้าไปทางไหนก็ได้ไม่มีพระประธานก็ได้พระประธานนี้ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาพระประธานไม่ใช่พระพุทธรไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้หันหน้าไปทางไหนก็ได้ไม่หันไปก็ได้ ไไมม่ีหน้้าก็ดคำถามจากคุณโมนีหนูให้อาหารสัตว์สุนัขจรจากทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ใส่บาตรถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ประโยชน์ได้ต่างกันทำบุญใส่บาตรกับพระก็อาจจะได้ธรรมะจากพระทำให้อาหารหมาหมามันก็เห่าให้เราฟังคําคำถามจากคุณลี การเดินจงกรมเมื่อแรกเริ่มเดินจิตละลึกอยู่กับฝ่าเท้าที่สัมผัสดินแต่เมื่อชั่วระยะหนึ่งจิตกลับมาดูลมหายใจวนกลับไปมาจึงไม่แน่ใจว่าควรกำหนดอยู่กับสิ่งไหนครับอยู่กับสิ่งเดียวอยู่อยู่กับเดินถ้าเวลาเดินอยู่กับเท้าดีกว่าเพราะลมมันดูยากลมนี่จะเหมาะตอนเวลาเรานั่งนั่งเฉยเฉยแต่เวลาเดินนี่ให้ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไป ไม่ต้องเดินแบบผัดเดินยกหนอะก้วาวนอวางหนอไม่ต้องอย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาไปอุบายนี้เพื่อไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านั่นเองอย่าคิดให้ดูเท้าแล้วมันจะได้ไม่คิดถ้ามันไม่มีอะไรดูเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าดูแล้วมันยังคิดก็ต้องพุทโธ คำถามจากคุณโลบัสทำไมพระบางรูปพูดถึงพระนิพพานโดยละเอียดว่าเป็นแดนบ้างเป็นมิมานแก้วบ้างหรือทำไมโดยมากที่เป็นพระสายหลวงปู่มั่นถึงพูดถึงพระนิพพานโดยไงหรือโดยอุบายครับหรือเพื่อไม่ให้ปุถุชนไม่ไม่ยึดติดใช่ไหมครับก็แต่ละคนก็มีวิธีสอนไม่เหมือนกันกวิธีอธิบายของที่มันไม่เป็น รู ป, ปรธรรมมันก็มันก็มีหลากหลายวิธีเพราะสคัญให้คนฟังฟังแล้วอยากอยากไปนิพพานเป็นเหมือนกับเราเบริษัทประกันภัยขายประกันเนี่ยเซลแมนแต่ละคนก็ขายไม่เหมือนกันเซลแมนบางคนก็บอกดีอย่างน้นดีอย่างนี้อีกคนก็บอกดีอย่างนี้คือขออุบายไม่เหมือนกันขอให้คนคนซื้อ ซื้อกแล้วกันพูดก็เพื่อให้ญาติโยมอยากไปนิพพานกันเหมือนว่างุณพ่อพุทโธคนพ่อุทธค่อพทะพัอ่ายดนอันนั้นก็เป็นวิธีให้ทาใจไม่คิดไงไม่กันได้อาทใจไม่ให้คิดให้คิดพัทธะพัทธะไปพุทธะพุทธะไปอ่าสัมมาอรหังไปอ่าพุทโธไปยุดหนอะ้องหนอไป เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงข น, นมนมเนยไม่ไปคิดถึงแฟนไม่ไปคิดถึงอะไรมันจะได้ไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบมีความสุขสุขแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรสบายกว่าสบายกว่าไปทำแล้วสุขกว่าจะสุขก็เหนื่อยกว่าจะไปหาแฟนเจอแฟนก็เหนื่อยพอเจอแฟนเดีย ว, เ ด, ยวเดียวก็ต้องไปแล้ว ซึ่อเอาสุขแบบนี้ดีกว่าสุขแบบไม่คิดอะไรเลยค่าคำถามจากคุณอ้อยจุลาทําทางเดินจงกรมจําเป็นหมาเจ้าคะว่าต้องหันไปทางทิศนู้นทิศนี้ถ้าจําเป็นควรหันไปทิศไหนเจ้าคะก็ตามหลักที่หลวงปู่มั่นท่านสอนก็ให้ทําทางจงกรมไปตามทิศทิศตะวันออกทิศตะวันตก เรือเยื้องหน่อยก็ได้เฉียงเหนือเฉียงใต้แต่ไม่ให้ทําทางเหนือใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเลยตะวันออกเยื้องไปทางเหนือตะวันตกเยื้องมาทางใต้ก็ยังได้แต่ไม่ให้ทําทิศ ท, ท, ที่ตรงกับเหนือกับใต้ไ ม, ไม่ได้ถามท่านก็ไม่ได้ตอบ <laughs> <laughs> คําถามจากคุณนุชนาท ลูกเป็นคนชอบวางแผนป้องกันให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดจนเกิดเป็นความคิดมากความกังวลลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรดีคะก็วางแผนได้แต่ก็ต้องทำใจว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนอาจะได้ไม่ต้องกังวลถ้าไม่ทําแผนก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็วางแผนไว้คร่าวๆว่าจะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะพอถึงเวลาทาไม่ได้ก็ปรับหน่อย จะไปตรงนี้ไปไม่ได้ไปตรงนี้ก่อนได้ไหมก็ว่ากันไปถ้าไม่ได้ก็ก็ตรงว่าช่วยไม่ได้คัทนานั้นเองอย่าไปคิดว่าจะต้องได้เสมออย่างพวก่งนี้หวยออกจะแทงสูงแทงต่ำดีแ <c oughs> ทงแล้วมันจะได้หรือเปล่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมก็อย่าไปเครียดกับมันอย่าไปอยากว่ามันไม่ทุก ที่มันเครียดเพราะมันอยากให้ได้ดังใจที่วางแผด้วยนี่อนาคตมันคดไปคดมาไงเขาถึงเขาเขาเขาบอกว่ามไม่ตรงไปตรงมาอนาคตมันคดไปคดมาเราคิดว่ามันจะมาทางนี้เดี๋ยวมันคดไปทาง น, นู้นนอนาคตไม่แน่นอนที่แน่นอนก็คืออดีเนี่ยแน่นอนหวยงวดที่แล้วออกกันไรนี่แน่นอน ทำให้ไม่ซื้อหวยของงวดที่แล้วอะถูกแน่นอนนะแต่มันก็ไม่ยามออกหวย ง, งวดที่แล้วอย่างอย่าไปหวังอะไรมากจากอนาคตคำถามจากคุณเป๊กลูกไหว้พระสวดมนต์ประจำเป็นกิจวัตรภาวนาบริกรรมอยู่เสมอที่ทำมานี้มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับก็ทำให้มากๆเนี่ยทำให้บ่อยขึ้น ทำให้เยอะๆยิ่งทํามากก็ยิ่งเก่งยิ่งชํานาญผลก็จะได้มากขึ้นไปตามลํำดับคําถามจากคุณโบ๊ทการทําบุญพุทธศาสนากําหนดไว้ว่าทําได้หลายแบบแต่จิตใจที่ตั้งใจสําคัญที่สุดใช่ไหมครับความตั้งใจก็สําคัญแต่ถ้าตั้งใจแล้วไม่ทําก็ไม่ได้บุญเช่นตั้งใจจะใส่บาตตอนเช้าพอตื่นได้ไมาโอ้ที่เกียด ก็เลยไม่ได้ใสมีความตั้งใจแต่ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บุนอยู่ดีมันต้องมีทั้งความตั้งใจมีทั้งการกระทำตามที่ตั้งใจไว้บุญถึงจะสำเร็จได้คำถามจากคุณจิรศักดิ์ผมสวดมนต์บทถวายพรมหากาแล้วจบที่แผ่เมตตาถือว่าผมทำถูกไหมครับถ้าสวดแล้วใจเราสง บ, บก็ถูก ถ้าสวดแล้วใจเราไม่สงบก็ไม่ถูกัจะให้มันสงบต้องอยู่กับการสวดอย่าไปสวดไปคิดไปถ้าสวดไปคิดไปมันก็ไม่สงบอย่างนี้ก็ไม่ถูกถ้าสวดอย่างเดียวไม่คิดอะไรแล้วใจสงบเย็นสบายอย่างนี้ก็ถูกคําถามจากคุณอนงนัทการบวชพระผู้บวชและพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้รับอนิสงส์งจากการบวชมากมายแค่ไหนคะ ก็ได้แค่อนุมโมทนาหรือว่าถ้าไปไปร่วมถวายใจซื้อภาพไตซื้อบาตซื้อจีวอนก็ได้ทาได้บุญด้วยแต่ถ้าไปเฉยๆแล้วก็ไปร่วมงานเขาแล้วแสดงความยินดีก็ได้อนุโมทนาบุญได้ความสุขจากการที่เราเห็นเขามีความสุขได้บวชเนแต่พ่อแม่ได้ทิ่่ะไม่ได้พ่อแม่จะได้ พ่อแม่ก็ได้ตรงที่เสียเงินซื้อบาตซื้อจีวรตามไหนที่บอกว่าเกาะผ้าเหลืองลูกไปตะ ว, วันกันอ่ก็ต้องก็ต้องไปหาลูกทุกวันนั่นสิไปหาลูกแล้วก็ไปใส่บาตรให้ลูกไปฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลนี่เงี้ยก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองก็คือธรรมดาถ้าลูกไม่บวชพ่อแม่ก็ไม่มาวัดใช่ไหอไม่รู้จะมาหาใครไม่รู้จกักใครใช่ไหมแต่พอลูกมาบวชอยู่ที่วัดก็คิดถึงลูกข่วงลูกอะ ก็มาหาหาลูกหาก็ต้องหาอะไรมาให้ลูกกินลูกใช้จะให้ลูกคนเดียวก็ไม่ได้มีพระหลายองค์ก็เลยต้องทำาหลายคนหลายองค์ก็เลยได้ทำบุญทำบุญแน้วที่วัดเขาก็มีเทศให้ฟังก็ได้ฟังทำแล้วเขาก็สอนให้รักษาศีลถ้าเอาไปรักษาศีลเอาไปนั่งสมาธินี่ก็ได้บุญเยอะแยะเลย ก็เลยเป็นคุณเอาไเป็นคำพูดมาเกาะชายผ้าเหลืองไงถ้าถ้าเกาะแล้วแต่ไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้แต่บางคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นคิดว่ารูปบวชแล้วแบบนั้นก็คิดไม่เป็นไงอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้เธออยู่ใกล้นั่งอยู่ข้างหน้าเราเกาะชายผ้าเหลืองเรา แต่ถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามที่เราสอนเธอก็อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยแต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยแต่เธอปฏิบัติตามคําสอนของเราเธอก็อย uh uh> ู่ใกล้เราเหมือนเกาะชายภาพเหลืองการเกาะชายภาพเหลืองนี่อยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้เกาะชายภาพเหลืองของพระพุทธเจ้าถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนาเนี่ย แสดงว่าเรากำลังเกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าเพราะการทำทานรักษาศีลภาวนานี้จะเป็นวิธีที่จะพาให้เราไปพระนิพพานอย่าคำถามจากคุณกิจหลักการเบื้องต้นในการลดความพอใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีอย่างไรบ้างคะก็ถือศีลแปดไงอย่าไปดูอย่าไปฟัง ต้องบังคับใจหักข้ามใจไว้ก่อนวันวันพระหรือวันไหนสะดวกก็ถือศีลแปดไม่ดูทีวีไม่ฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่นอนกับแฟนไม่กินอาหารมือเย็นอันนี้ก็เป็นวิธีเดึองเราออกจากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเราก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ใจสงบก็จะเห็นว่าความสงบได้ดีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็จะก็จะเบื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสได้เลิกได้หมดแล้วนะมีค่ะถามมาเรื่อยๆคำถามจากคุณเทมปุระตอนนี้อยู่เมืองนอกค่ะไม่มีเวลาไปวัดเพราะไม่สะดวกในการเดินทางแต่สวนมนนั่งสมาธิปฏิบัติทําทุกๆวัน ถือว่าเป็นการทำบุญและสร้างบุญกุศลใช่ไหมคะและทำเสร็จก็กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเข่าจะได้บุญไหมคะคือบุญที่เราได้มันยังอาจจะไม่มากเพราะเรายังทำไม่มากรักษาศีลยังไม่มากยังไม่บริสุทธิ์นั่งสมาธิยังไม่สงบบุญเหล่านี้เลยอุทิศไม่ค่อยได้เพราะยังไม่มีเหมือนปลูกต้นไม้ แต่เริ่มปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลแต่ถ้าทําทานนี่มันออกดอกออกผลทันทีเลยถ้าเราใส่บาตปุ๊บนี่บุญมันออกมาเลยดังั้นวิธีที่อยากจะอุทิศบุญง่ายๆเร็วๆก็ให้ทําทานส่วนบุญที่อุทิศจากการรักษาศีลภาวนานี่มันต้องรอให้มันออกดอกออกผลก่อนต้องจุดรวมเป็นฌานก่อนเนี่ย ศีลต้องบริสุดตลอดเวลาไม่ด่างพร้อยฉะนั้นเขาถึงไม่ได้ยมอุทิศบุญด้วยการทบรักษาศีลปฏิบัติธรรมด่างพร้อยนี่หมายถึงว่ายังไงครับก็ขาดางไงเอาขาดวันนี้โกโหกแล้วเดี๋ยวเพื่อ น, นซื้อเหล้ามาให้กินขยันขยอเอาสักหน่อยนะแฮปปี้บุ๊ตเดย์เลี้ยงฉลองหน่อยเอาไม่บริสุทธิ์ทุกวันอ่าไม่บริสุทธิ เลยเดี๋ยวไปเห็นของให้ชอบขึ้นมาก็หยิบไปเลยไปถามเจ้าของก่อน้มันไม่มันมันทำอยู่มันก็ทำเหมือนกับว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้มันยังเล็กมันยังไม่ออกดอกออกผลบุญมันเป็นดอกผลเนี่ยจากการปลูกต้นไม้จากการรักษาศีลจากการภาวนานี่แต่มันยังไม่ออกแต่ถ้าเราทาทานนี่มันออกเลย เมือกับต้นไม้บางชนิดใช้เวลาหลายปีกว่าจะออกดอกออกผลต้นไม้บางต้นบางชนิดแค่สามเดือนต้นข้าวนี่สามเดือนก็ออกลวงแล้วแต่ตอนนั้นมันเป็นบุญภายนอกไม่ใช่แค่ไม่ตาตาจาร บ, บ, บุญเหมือนกันนะภายในมันอยู่ในใจเรา <Okay. S 1> เราทำด้วยใจเ้วเสียสละเงินทองไปนี่มันก็ภายในเราท ทำใจไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็ภายในอยมันภายในหมดเนี่ยเห็นถ้าอยากจะอุทิศบุญเร็วๆก็ไปซื้อข้าวซื้อของแล้วอาไปใส่บาตรถวายพระหรือว่าเอาเงินไปถวายวัดนี่ก็ได้บุญแล้วอุทิศได้แล้วคำถามจากคุณปาล์มหนูฟังอาจารย์แล้วสบายใจมากเข้าใจโลกมากขึ้น หนูอยากปฏิบัติธรรมละทางโลกเข้าสู่กระแสนิพานพอคิดแบบนี้แล้วคนรอบข้างก็มองว่าหนูแปลกแฟนหนูก็รับความคิดนี้ไม่ได้เขาเป็นชาวต่างชาติทุกวันนี้รู้สึกเบื่อหน่ายมองอะไรเป็นอนิจจังไปหมดมเริ่มไม่สนุกกับชีวิตปัจจุบันแต่ยังอยากทำงานหาเงินช่วยครอบครัวระหว่างนี้หนูควรทำใจอย่างไรให้ประครับประคองชีวิตทางโลกได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายครับถาหนูฝึกซาป สติสมาธิปัญญาในฐานะคาราวาสไปเรื่อยๆหนูจะรู้สึกคลายความเบื่อได้ไหมคะมันเบื่อที่มันเบื่อก็เพราะาเราปฏิบัติศินสมาธิปัญญามันก็เลยเบื่อโลกนี่ถ้าไม่อยากจะเบื่อโลกก็อย่าไปปฏิบัติศินสมาธิปัญญาไปเที่ยวไปกินเหล้ากันมันก็จะสนุกสนานกันแต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำเราก็จะเบื่อโลกเราก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนี มันไปด้วยกันไม่ได้อย่าไปรักพี่เสียดายน้องเดี๋ยวเสียทั้งสองคนรักคนนี้ครึ่งรักคนนู้นครึ่งเขาไม่เอาเลยเขาอยากจะได้เราทั้งทั้งเต็มร้อยเราไปแบ่งให้เขาครึ่งเดียวแบ่งให้น้องอีกครึ่งหนึง่งเขาเขาเลยทิ้งเราทั้งสองคนเลยไยไม่ได้สักอย่างทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้ถ้าอยากจะได้ทางใดทางหนึ่งก็เลิกมันไปเลย พระพุทธเจ้าใช่ไมท่านก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งทางโลกก็อยู่เป็นพระก็เป็นมหาจักรพรรดิไปถ้าอยู่ในทางโลกก็ทําสงครามไปเลยลุยเลยจะได้ดินแดนอาณาจักรเพิ่มเติมทําสงครามบุกเข้าไปเลยหรือว่าท่านไม่อยากเป็นอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปบวชเลยมันจะทํำทั้งสองอย่างพร้อมกันไปไม่ได้หรอกมันเป็นคนละทางกัน เงนนถ้าเราชอบทางไหนเราก็ไปทางนั้นเลยแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีกำลังพอก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วไม่ต้องไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเราต้องยอมรับ ว, ว่ามันต้องแปลกแน่ๆเพราะทางเขากับทางเรามันโคจนรทางกันจะให้เขาคิดว่าไม่แปลกเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาขอให้เรารู้ เรื่องของเราก็แล้วกันว่าเป็นเรื่องเป็นการกระทำที่ดีที่วิเศษถ้าเราทำได้แสดงว่าเราเราเป็นคนคนวิเศษคนหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำทางนี้ได้ไปทางนี้ได้ถ้าเรามีความสามารถไปทางนี้ได้แสดงว่าเราเป็นคนวิเศษมากเราจึงไม่ควรที่จะให้คนความรู้สึกของคนอื่นมาขัดขวางความควา ม, ความวิเศษของเราเราควรพุ่ง ชีวิตของเราต้องไปในทางที่เราที่เราชอบที่เราเห็นว่าดีสําหรับเราส่วนคนอื่นจะเห็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเพราะไม่ช้าก็แล้วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแล้วถ้ามาทางทำแล้วทําไม่บรรลุธรรมล่ะคะอาจารย์ก็ลุยไปเนๆๆ <S <S ี่มามันก็ต้องบรรลุเสียมาแล้วไม่บรรลุ ก, ก็อย่ามามาแล้วมานั่งเฉยๆมากินมานอนมันก็ไม่บรรลุเสียมามันก็ต้องลุยตลอดเวลา เหมือนกับขึ้นเวทีก็ต้องต่อยกันจังการพูดคู่ต่อสู้มันจะล้มเน่ยไปยืนให้เขาต่อยมันก็ก็ขึ้นไปทามาเจ็บตัวเปล่าๆถ้าจะขึ้นเวทีต้องต้องลุยอย่างเดียวต้องต่อยอย่างเดียวไม่หยุดลุยมันต่อยมันไปเลยพอถ้าจะมาทางนี้ก็จเจริญสติทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันถ้าทํานี้ไม่กี่ปไีไม่กี่เดือนมันก็ได้ ถ้ามาทำเนาะแนนเนาะแนนเยอะแยะเยนทำนิดทำหน่อยมันก็เดี๋ยวก็หมดกำลังใจอาารย์จะไปทางนี้มันต้องทุ่มเทเลยร้อยเป็นร้อยเลยมีหน้าตักเท่าไหร่ทุ่มมันไปเลยอันรู้แล้วรู้ละไปถ้าไม่บรรลุก็ตายเนีย่ยพระพุทธเจ้าเนี่พระเจ้านั่งโค้งต้นโพนี่บอกว่าจะดั่งสู้กับกิเลสจนกว่าใครจะแพ้ใครชนะไปกันข้างหนึงเล จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้นอกจากตายเท่านั้นอมันต้องอย่างนั้นถึงจะถึงจะบรลุกถ้ามามามาปฏิบัติแล้วก็กลัวกิเลสกอย่าไปบอย่ามาปฏิบัติดีกว่าถ้ากลัวความทุกข์กลัวความยากลําบากก็อย่ามาปฏิบัติดีกว่าถ้ากลัวอดไฟมันมอดแล้วไงตอนอายุมากอะ่ะก็อย่ามาถดีมอดหลังมาใช่ไมทา ง, ทา ง, ท, างทางครึ่งหนึ่งทางโลกครึ่งหนึ่ง ก็วันพระก็มาวัดไงวันธรรมดาก็ไปนอนกับแฟนเนี่ว่าเป็นส่วนมากนะเราจะเป็นแบบนั้นไะก็เรื่องของเขาส่วนมากส่วนนั้นไม่เกี่ยวกับเราแน่เลยเราจะเป็นส่วนไหนนะเราจะเป็นส่วนพระพุทธเจ้าดีแล้วจะเป็นส่วนส่วนพวกชาวบ้านดีก็เลือกเอาคําถามจากป๋าคํา เมื่อเรารักใครคนหนึ่งเขากับไม่รักเราจะทำอย่างไรครับทั้งๆที่เรามีครอบครัวอยู่แต่จิตใจมันรวนเลไม่ทราบว่าจะแก้ใจอย่างไรดีครับก็อย่าไปคิดถึงเขาเลยพาท่องพุทโธพุทโธไปเวลาคิดคิดถึงเขาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือคิดว่าเขาเป็นอสุภะก็ได้คิดว่าเขาก็แค่อาการ32สองนี่เองผมขอนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูก หัวใจปอดตับลำไส้อุจจาระปัสสาวะก็รักคนรักพวกนี้เหรอรักอุจจาระเขา่ารักปัสสาวะเขาเ่ารักลำไส้เขาบ่ารักปอดรักตับรักไตเขาเ่าคิดอย่างนี้มันก็จะได้ไม่รักอย่างพระพุทธเจ้าสอนในพพะไปดูศพของโสเภณีพระท่านก็ยังหนงรักผู้หญิงอยู่ พรอาจารย์เลยบอกไปดูศพผู้หญิงคนนี้ยสวยมากแต่ตอนนี้ตายแล้วพอไปเห็นศพของโสเภณีนะก็ถอยเลยไม่คิดถึงเขาอีกต่อไปไม่รักเขาอีกต่อไปเห็นถ้าคิดถึงคนที่เราลักก็คิดเขาตอนที่เวลาเขาเป็นศพแล้วเรายงจะรักเขาอเปล่าคำถามจากคุณลักษนาเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุ เตะโดนอะไรหนักจนขาบวมแต่อาการเจ็บปวดมันมีแต่ความสามารถให้รู้สึกเจ็บนั้นน้อยลงเราสามารถนิ่งไม่ทุกข์กับอาการเจ็บนั้นเป็นการฝึกอย่างหนึ่งมือคับหรือเปล่าคะฝึกทิ้งอาการความเจ็บถูกแล้วเราให้มันเจ็บที่ร่างกายก็พอแต่เราอย่าไปเจ็บที่ใจเพราะใจไม่ได้เจ็บด้วยวิธีจะไมใ่ใจเจ็บกับร่างกายก็พุโทโธพุโทโธไป เป็นเวลาหมอจะฉีดยาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเข็มฉีดยาแล้วมันก็จะไม่เจ็บที่ใจเจ็บที่ร่างกายก็เจ็บนิดเดียวเตะอะไรไปแล้วมันเจ็บปั้มมันก็หายไปแล้วแ่ะแต่ใจเร า, เ อ, าอยากจะให้มันหายเร็วๆมันก็จะมันก็จะเจ็บขึ้นมาค่ะคำถามจากคุณชุท้ธมล ลูกเห็นหมาจรจัดแล้วรู้สึกสงสารทุกตัวต้องให้อาหารทุกครั้งที่เจอเป็นไปได้ไหมคะชาติก่อนเคยมีความผูกพันหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก่อนมันก็เป็นความรักรักหมามันเคยชอบหมารักหมามามันก็ติดเป็นนิสัยมาเราเคยชอบอะไรมันก็จะติดนิสัยมาชอบดื่มสุลามันก็จะชอบดื่มสุลาชอบเข้าวัดมันก็จะเข้ชอบเข้าวัด อ, อ, อันนี้เป็นนิสัย ทำแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมาคำถามจากคุณดิวลี่การโกหกเพื่อรักษานํำใจนี่บาปไหมครับเพราะพี่คนหนึ่งทำอาหารมาให้กินเขาถามว่าอร่อยไหมผมเลยตอบว่าอร่อยที่จริงมันไม่อร่อยแต่กลัวเขาเสียใจเลยรักษาน้ำใจไว้ครับอ่าก็โกหกมันก็บาป คำ ถ, ถามจากคุณปรับการประพาการเพ่งกระสินให้มองเห็นท้องฟ้าแล้วเจริญอาณาปณะสติไปด้วยถูกหรือผิดอ๋อไม่ถูกแล้วละต้องต้องเพ่งอย่างเดียวความจริงเขาไม่ให้เพ่งด้วยตาหรอกเขาให้หลับตาแล้วให้นึกถึงท้องฟ้าถ้าลืมตานี่มันจิตมันจะออกทางตาแล้วมันจะเข้ า, ขามันจะไม่สงบต้องปิดตาเช่น ถ้าอยากจะใช้ท้องฟ้าก็มองดูท้องฟ้าแล้วจําภาพท้องฟ้าไว้แล้วหลับตานึกถึงท้องฟ้าไปเรื่อยๆให้อยู่กับท้องฟ้าอย่างเดียวอย่าไปอยู่กับอย่างอื่นอย่าไปอยู่กับลมอย่าไปอยู่กับพุโทโธถ้าจะเพ่งต้งเพ่งอยู่อย่างเดียวยายบางคนบางทีเขาก็สอนให้เพ่งดูสีแดงสีเขียวบ้างสีดําบ้างแล้วแต่เราชอบสีอะไร เราก็นึกถึงสีนั้นแล้วเราก็หลับตาแล้วก็นึกเหมือนให้สีนั้นโผล่ขึ้นมาในใจเราแล้วพยายามรักษาให้สีนั้นตั้งอยู่นานๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะเป็นฌานขึ้นมาสงบขึ้นมาได้นนี้นว่ากรสินกรสินก็คือการเพ่งสีต่างๆสีใดสีหนึ่งสีเรื่อยไฟก็ด้นึกถึงดวงไฟแันหลอดไฟเนี่ยดูมือนว่า เลื่มตาดูสักพักแล้วก็หลับตาแล้วก็เริ่มนึกถึงหลอดไฟที่เราดูแล้วขยายให้มันสว่างอยู่ข้างในไปนีก็เรียกว่าเป็นการใช้กระสินค่ะำถามจากคุณสุนิสามีน้องที่ปฏิบัติมักจะไปรู้วาระจิตของคนอื่นแล้วเอามาใส่ใจว่าเขาเอาจิตมายุ่งหรือดึงพลังจิตของเขา เขาจะแผ่เมตตาให้คนนั้นและไม่ต้องการให้จิตของคนนั้นมายุ่งกับน้องเขาเป็นไปได้ไหมคะน้องคนนั้นใช้ญาณไปรับรู้จิตของคนรอบข้างจนใจของน้องเขาวุ่นวายใจไปหมดหนูะจะแนะนําเขาอย่างไรดีคะก็อย่าส่งใจออกข้างนอกให้ดึงใจเข้าข้างในด้วยพุทโธพุทโธไปพอจะไปรับรู้ความคิดของคนอื่นก็ดึงกลับเข้ามาไปรู้ใจคนคนนั้นทำไมเพียงแต่ก็ พูดออกมาระบายออกมาเราก็ไม่อยากจะฟังนะยิ่งที่เขาไม่ระบายนี่มันร้ายกาจแค่ไหนเขาดา่าเรากี่ร้อยครั้งแต่ก็ยังไม่ออกมาทางปากเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเราไปอ่านใจเขาเนาะ้ตายมันดากูไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นอยากไปรู้เรื่องของคนอื่นเนะียนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการให้ไปรู้เรื่องของใคร ต้องการให้เด้งใจเข้าข้างในให้เข้าสู่ความสงบไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นให้รู้อยู่กับความว่างเราจะมีความสุขมากคำถามจากคุณบุญธรรมเวลาบริกรรมพุทโธบางครั้งจิตนึกถึงเรื่องอื่นในขณะบริกรรมพุทโธเหมือนเกิดซ้อนกันไม่ทราบควรแก้ไขอย่างไรครับก็เพราะเราพุโทโธมาน้อยไงเราต้องหัดพุดโทโธมาก่อนก่อนที่จะมานั่ง อาพุทธโธไปทั้งวันเวลาไม่ใช่มันแต่พุทธโธจะเฉพาะเวลานั่งมันจะไม่มีกําลังพอความคิดมันจะมีกําลังมากกว่าเหมือนกาพุทธโธสองชั่วโมงแล้วก็ไปฝึกนั่งอย่างเงี้ยได้ไหมคะแล้วก็ว่ามันต้องพุทธโธตลอดเวลาตืต่นขึ้นมาก็พุทธโธอาบน้ำก็พุทธโธใช่พระอาจารย์คือพุทธโธสองชั่วโมงแล้วก็ลองนั่งสมาธิดูไ ม, ไม่ไม่ต้องสองชั่วโมงทั้งวันทั้งคืน่<ม>เวลาที่ไม่ เวลานั่งหรืไม่นั่งก็พุโทโธไปตลอดเวลาเวลานั่งก็พุโทโธ ห, หรือเปลี่ยนก็ได้เวลานั่งจะดูลมก็ได้ <c oughs> ออจะพุโทโธก็ได้ให้มันหยุดความคิดก่อนมานั่งถ้าอยู่ความคิดก่อนมานั่ ง, ง, มมงไม่ได้เวลานั่งมันก็คิดต่อไปเลยดันต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่คิดคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเวลานั่งมันก็จะได้ไม่มีความคิดเข้ามาแทรก เหมือนเราจะเราจะจอดรถตรงนู้นะเราต้องเหยียบเบรกตรงนี้ก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปเหยียบเบรกตรงที่เราจะจอดใช่ไหมถ้าไม่จ็ไปเหยียบเบรกตอนที่เราจะจอดมันก็เลยไปยหนูเคยพูดโทรได้เลยนั่นแหะความคิดขายหมดเลยพี่จันที่ต้องฝึกว่าทั้งวันอ่าแล้วทำไมไม่ทําต่อเ<า>ลยทำแต่ว่าทีนี้มันลืมบางทีมันก็ลืมไงมันเหมือนเชือกกล้วยอยู่ตอนนี้ของแค่นี้ลืมได้ไงครับพุดโธรคำเดียวลืมได้มันก็ไปคิดอย่างอื่นตั้งพี่จัน นั่ะอันเถอะคาถามจากคุณวาสนาถ้าพ่อแม่ตายถ้าลูกบวชจุงลงให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกพ่อแม่ขึ้นสวรรค์เพราะบุญที่พ่อแม่ทำเอาไว้ก่อดตายเวลาตายแล้วไม่มีใครมาทําบุญให้พ่อแม่ได้นอกจากอุทิศบุญถ้าถ้าพ่อแม่ เป็นขอทานก็มารับบุญส่วนนี้ได้แต่ไปบุญนิดเดียวไม่สามารถพาไปสวรรค์พาไปไหนได้แต่พอให้ให้อยู่สบายหน่อยไม่หิวโห่วยคำถามจากคุณอ้อยป่วยต้องทานยาสามเวลาแต่อยากถือศีลแปดจะต้องรับยาตามแพทย์หรืองดยาช่วงเย็นคะก็าถามหมอว่าช่วงเย็นเอายาที่กินช่วงเย็นกินตอนช่วงกลางวันได้ไห แล้วก็เว้นช่วงเย็นไปหมอจะถือศีลแปดแล้วเวลาทําให้ปกติดีๆทำาไม่ถือม่นชอบมาถือตอนที่มันถือไม่ได้ตอนถือได้ล้วไม่ถือกันตอนนี้ถือได้เราไม่ถือกันเนี่ยมาถือตอนที่ป่วยตอนที่กินไม่ได้ตอนที่ถือไม่ได้ถ้าถือไม่ได้ก็อย่าไปถือสิทำไงได้เวลาถือได้ก็ไม่ถือก็รอให้มันหายป่วยก่อนแล้วค่อยถือสิ ถือสีนเจ็ดไปก่อนก็ได้เห็นแปก็งดไปข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าพอไม่ถือพอกินไม่ได้ก็แล้วไม่ถือมันทั้งหมดเลยไม่ถือมันทั้งแปดข้อเลยถ้ยังถือข้อไหนไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไ่ถือข้อนั้นข้ออื่นก็ถือไปก่อนสิข้อหนึ่งถึงข้อข้อแปดยกเว้นข้อหกไปก่อนก็ได้ถ้ายัางมีปัญหา ต้องกินข้าวกับยาอะไรนี้ก็ก็เว้นไปก่อนข้อนี้ไม่พอหายป่วยแล้วไม่ต้องกินยาแล้วก็กลับมาถือข้อนี้ให้มันเต็มที่ก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณลูกน้ำหนูเป็นคนทำของให้สามีใสบ่บาตแล้วหนูจะได้บุญไหมคะก็หนึ่งต้องเป็นเงินของสามีสองสามีต้องสั่งให้ทำ ถ้าเราทําเองโดยที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเงินนี้ก็ไม่ใช่เป็นเงินของเขาไม่ใช่เป็นของเขาเขาก็ไม่ได้บุญอะไรต้องเป็นของของเราต้องเป็นของของเขาแล้วต้องเป็นคําสั่งของเขาเขาถึงจะได้บุญคำถามจากคุณจิราศักดิ์ เวลาทำงานชอบนึกถึงบทสวดมนต์บ่อยครั้งบางทีก็เหมือนสดสวดอยู่ในใจมันเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะอยากสวดอย่างนี้ก็ดีเลยแต่มันควรจะไปสวดตอนที่เราปฏิบัติทำดีกว่าตอนทำงานก็ควรจะอยู่กับงานกับงานที่เราทำไม่งั้นเดี๋ยวทำงานแล้วไม่ได้เรื่องเดี๋ยวก็ถูกไล่ออกจากงานได้เวลาให้สวดก็ไม่สวด เวลาแม่สวดก็อยากจะสวดคำถามจากคุณชีการอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วอุทิศบุญกุศลอย่างไรคะก็ทำบุญไงใส่บาตรถวายเข้าของเงินทองอะไรแล้วแต่จะทำแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปบุญก็เกิดความสุขใจที่เราได้ทำบุญ เราได้เสียสละแบ่งปันประโยชน์ของเราให้แก่ผู้อื่ น, น, นเราก็เกิดความสุขใจอิมจ่มใจขึ้นมาเราก็เอาความสุขใจอิมจ่มใจนี้ส่งไปให้เขาได้ขอด้อที่2องลูกสวดมนต์ภาวนาแล้วจิตบอกว่าถ้าสวดต่อแล้วตายคืออะไรคะก็จิตมันบอกเราคืออะไรก็จิตออมันคิดไปเองเราก็ถามว่าตายจริงหรือเปล่า เราทําไมอย่าไปเชื่อเขาสิเราต้องดูความจริงสิถ้าเราสวดต่อไปแล้วเราตายหรือเปล่าคำถามจากคุณการเทวดาปฏิบัติธรรมแบบมนุษย์หรือเปล่าครับเคยได้ยินเทวดามาฟังพระเทศเทวดาก็มีมีหลายพวกเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละเทวดาที่ชอบเที่ยวก็มีเทวเวลาที่ชอบไปฟังธรรมก็มี พวกที่ไปฟังธรรมเขาก็ไปฟังกับพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมให้เขาฟังได้พวกที่เที่ยวเขาก็ไปไปเที่ยวไปฟังเพลงไปดูหนังไปอะไรของเขาอเอาเสียงทิพย์ไง <c oughs> เสียงทิพย์ลูปทิพย์เนี <c oughs> ่ <c oughs> ยเห็นเทวดาก็เหมือนคนมนุษย์เหล่านี้แหละมนุษย์ที่ทําบุญด้วยกันเนี่ยบางคนชอบทําบุญแต่ไม่ชอบฟังเทศใช่ไหมชอบทําบุญใส่ก็ไปเที่ยวละ บางคนฟังบางคนทําบุญเสร็จยังไม่ไปรอฟังเทศฟังธรรมก่อนการคำถามจากคุณกำมลทิพย์เคยเห็นคลิปที่ลูกสาวดื้อมากไม่เชื่อฟังแม่แล้วแม่ก็กราบลูกสามครั้งอย่างนี้ลูกจะบากไหมคะแม่กราบลูกสามครั้งเ่ะไม่บาปหรอกแม่ทํำนี้ก็เป็นการอาจจะเป็นการอา่า สอนลูกว่าแม่รักลูกขนาดไหนแม่ยอมกราบลูกเพื่อให้ลูกหยุดการกระทําที่ไม่ดีถ้าลูกเป็นคนที่มีจิตสำนึกก็จะได้รีบะจะได้รี บ, ะะรบ เ, ป เ, ปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเสียแต่ถ้าลูกยังเป็นคนมืดบอดอยู่ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วผู้ที่จะเสียหายก็ไม่ใช่แม่หรอก ผู้ที่เสียหายก็ลูกลูกที่ทำตัวไม่ดีก็จะต้องรับผลของการทำไม่ดีของตนเองต่อไปเพราะความรักของแม่อยากให้ลูกนี้ดีได้มีความสุขความเจริญก็เลยใช้อุบายด้วยการกลาบลูกเพื่อจะเผื่อจะได้คิดได้ในเรองนี้ แม่บางคนก็อาจจะร้องไห้แกงร้องไห้แม่ร้องไห้ก็เลยสงสารแม่ก็เลยอ่ะยอมเปลี่ยนคำถามที่บ้านถ้าถามแล้วตอบไปไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนอยากจะถามเข้ามาใหม่ก็ได้นะเพราะบางทีอาจจะตอบไม่ตรงประเด็นที่ถามมาคือบางทีฟังคําถามแล้วมันอาจจะ เข้าใจคาดเคลื่อนเลยตอบไม่ตรงกับความความถามความต้องการที่จะถามก็ส่งข้อความก็ามาได้มาได้มีคำถามต่อเราก็ถามตอบของเราไปจนกว่าจะไม่มีเราก็จะได้เลือกคำถามจากคุณมิลัยพรถ้าบุคคลใดปฏิบัติจนถึงอารมณ์พานิพาน์ได้แล้ว แต่สังขารร่างกายยังไม่ได้แตกแบบยังต้องอยู่ในโลกนี้อยู่ยังต้องกระทบกับภัตษาภายนอกอยู่ถ้าขณะจิตในขนดขณะจิตหนึ่งเกิดหลุดอารมณ์พานิพานไปชั่วขณะจิตหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าถือว่าบุคคล น, นั้นยังอยู่ในอารมณ์พานิพานหรือไม่เจ้าคะหรือว่าถ้าบุคคลได้เข้าถึงอารมณ์พานิพานได้แล้วจะสามารถวาควบคุมจิตอยู่ได้ตลอดจะไม่มีโอกาสหลุดเจ้าคะ ใช่ถ้าเข้าถึงนี่พานนะมันไม่หลุดนะพอมันหลุดแล้วมันหลุดจากอารมณ์ต่างๆแล้วคำถามจากคุณสิริวัณการปริยัตของครูบาอาจารย์ท่านปริยัตเพื่อดูว่าเราทำจิตใจไปถึงไหนแล้วใช่หรือเปล่าคะบางทีไม่ค่อยเข้าใจคำนี้คะ่ะกรม่าปริยัตแปลว่าศึกษาเข้าใจไหม ฟังเทศฟังธรรมนี่เรียกว่าปริยัติอ่านหนังสือธรรมะเนี่เรียกวปริยัติคือการเรียนเรียนรู้<ม>ด้วยการฟังหรืด้วยการอ่านหนังสือ<ม>แล้วเมื่อฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลคือปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นเหมือนลูกโซ่เป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็ต้องศึกษาก่อนต้องเรียนรู้ก่อนว่าต้องทําอะไร แล้วอรู้แล้วก็ออกไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลจากการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิเวทเหตนั้นไปไปไปคิดใหม่ใชว่าเรากําลังย่าาอย่ามาเอาคำคำที่เราไม่รู้มาใช้แล้วมาถามมันคุยกันไม่รู้เรื่องเ่ยคําถามจากคุณขวัญตา ใช้กายกายสติเช่นรู้ลมหายใจและรู้พุโทโธในการนั่งสมาธิได้หรือไม่ในชีวิตประจำวันรู้กายที่เคลื่อนไหวและรู้พุโทโธควบคู่กันไปได้หรือไม่คะได้ถ้าถ้าหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้และการบวชพระในพระพุทธศาสนาเป็นบุญชนิดพิเศษของพ่อแม่ไม่ได้รับรู้การบวชของพ่อแม่จะได้บุญหรือไม่คะ พ่อแม่ไม่ได้บุญอะไรมากไปกว่าอนุโมทนาดีใจไปกับลูกที่ได้บวชถ้าพ่อแม่อยากจะได้บุญมากกว่านั้นพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติตามลูกลูกบวชพ่อแม่ก็บวชตามลูกก็จะได้บุญทา ก, กับงลูกแต่ถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่ไม่ได้บวชพ่อแม่เพียงแต่อนุโมทนาพ่อแม่ก็ได้บุญจากการอนุโมทนาคือไม่เสียใจเพราะบางที ถ, ถ้าไม่อนุโมทนาก็เสียใจ เสียใจก็ได้ความทุกข์ถ้าอนุโมทนาก็ได้ความสุขการอนุโมทนานี้เพื่อป้องกันความทุกข์ความเสียใจที่เกิดจากการที่เราไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคนอื่นเช่นเห็นคนอื่นทําบุญถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจไม่อยากให้ก็าทำแต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสียใจเราก็อนุโมทนาเออดีใจกับเขาเขาทำก็ดีเราก็จะได้สุขกับเขาด้วย คำถามจากคุณปัญหาเป็นพระแล้วทําทานได้ไหมครับกระผมชอบทําสมาธิมากกว่าและจะทําทานได้รูปแบบไหนบ้างครับก็ทำทานทาทานในสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ไงเช่นบิณฑบาตกลับมาฉันเสร็จมีอาหารเหลือก็ทําทานไปแต่ไม่ให้ไปของเงินขอทองขอข้าว ข, ขอของมาเพื่อมาทําทานอันนี้ไม่ถูก คือทาในสิ่งที่เรามีเหลือเช่นจึงอยู่การบินดาบาก็เป็นการขอแต่เราขอเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้ขอเพื่อมาทําบุญทําทานแต่ถ้ามันได้มากกว่าที่เราจะกินได้เก็บเก็บไว้ได้เราก็เอาไปทาทานต่อได้ไม่ให้สะสม่งานหลักของพระนี่ไม่ได้อยู่ที่การทําทานงานหลักอยู่ที่การภาวนาทำใจให้สงบ ถมูแต่ไปหาเงินหาทองหาข้าวของมาเพื่อมาทำทานมันก็ไม่มีเวลาภาวนาคำถามจากคุณ น, นิทัศผมนั่งสมาธิแล้วข่าชาตลอดเลยครับไม่ทราบว่าจะเข้าวิบากข้อนี้ไปได้อย่างไรครับเพราะมันเกิดความกลัวว่า ขาชาเลือดไม่ไหลไปเลี้ยงอาจเป็นอันตรายได้ทําให้ขาเสียไปได้ครับ อ, อไม่เสียหรอกมันชาเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, ยวมันก็หายไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเราก็ภาวนาของเราไปมันไม่มีไม่มีปัญหาแหละความชาคนนั่งสมาธิกันส่วนใหญ่ก็ชาด้วยกันเถอะชาแล้วเดี๋ยวว่าปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หายของมันเองคําถามจากคุณหนึ่ง พระโสดาบันมีศีลห้าเป็นขั้นต่ําใช่ไหมครับคือพระโสดาบันนี้จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตของตนเองเพราเห็นว่าศีลมีค่ากว่าชีวิตนั่นเองเพราะว่าชีวิตนี้ยังไงก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่แตถ้าศีลถ้าถ้าไปรักษาชีวิตด้วยการทําบาปนี่มันก็ต้องไปรับผลบาป งั้นสู้ยอมให้มันร่างกายนี้ตายไปโดยที่ไม่ทํำบาสดีกว่าแต่พระสุราบัตินี่ก็ยังรักสวยรักงามยังไปเที่ยวทำ ง, ง้ออะไรนี้ได้อ่ามันก็ศีลห้ามันก็ไม่ได้ห้ามไม่รักสวยรักงามอยู่แล้วนี่ยศีลห้าก็ยังแต่งเนื้อแต่งตัวได้ไม่ใช่ไหมอ่าแล้วทําไมล่ะคำ ถ, ถามจากคุณนุชนะ หากเราภาวนาพุทโธเราไม่ต้องทำยุบหนอ่อพองหน่อเลยได้หรือเปล่าคะได้พุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องดูลมด้วยอยู่กับพุทโธไปเหมือนกับสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปดูลมไม่ต้องยุบหนอ่อพองหนอ่อเอาพุทโธอย่างเดียวคำ ถ, ถามจากคุณทราย ถ้าเราครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่มีเอกสารสิทธิและเราขายสิทธิครอบครองนี้ถือว่าเราผิดสิ่งข้อสองไหมคะเมื่อมันไม่ได้เป็นของเราเราไปขายมันก็ผิดเอาของคนอื่นไปขายใช่ไหมคำถามจากคุณชมพูนุช ของที่มีคนนำมาถวายพระแล้วแล้วพระจะให้ของนั้นกับเราถ้าเรานำมาใช้จะบาปไหมคะถ้าบาปจะนำของนั้นไปทำอย่างไรดีคะอไม่บาปแล้วถ้าของก็ให้มาแล้วก็ไม่ว่าใช้จะให้เราพระให้เรารือยมให้เรามันก็เป็นของของเราเราจะไปทำอะไรก็มันเป็นเรื่องของเราแล้วไม่บาปจะบาปก็ต่อเมื่อไปบอกให้เขาเอามา ไปขโมยของมาให้เราแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเขามีของเหลือเขาอยากจะให้เราเ็ามอบให้เราถึงแม้เขาจะไปขโมยมา ก, ก็เรื่องของเขาของนั้นก็ไม่ไม่เป็นบาป ก, กับเราเราก็สามารถเอาไปทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไปโกงเงินแล้วเอามาทำบุญเนี่ยพระไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาให้เงินมาทำบุญพระเราไปสร้างบวตสร้างเจดี มึงก็เป็นคนต่าเรื่องนะเรื่องบาป ก, ก็เรื่องของเขาเรื่องบุญนี้ก็าทำก็เรื่องเรื่องของเขาเขาได้ทั้งบาปทั้งบุญคําถามจากคุณสุพันณีลูกปฏิบัติดูเวทนามีอาการปวดแล้วเบาหายแล้วสลับกับย้ายเปลี่ยนที่ปวดมีปวดมีปวดดับสลับกันจนหมดเวลา นั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่ง อ, ออกจากสมาธิอาการที่เกิดเรียกว่าเวทนาใช่ไหมค ะ, ะความเจ็บทางร่างกายเรียกว่าทุกขเวทนามันเกิดดับเกิดดับใจเราอย่าไปทุกขกับมันปัญหาคือมันถ้าเราใจเราอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกขที่เราทุกขเพราะเราไม่อยากจะอยู่กับมันฉะนั้นเราต้องหัดอยู่กับมันนั่งไปเรื่อยๆให้มันเจ็บไปเรื่อยๆให้มันหายเอง แล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคำถามจากคุณทรายใส่บาตรแล้วพระส่งเอาอาหารที่เราใส่บาตรไปให้กับคนขายกาแฟหน้าปากซอยเป็นสิ่งที่พระสงท์ทำได้หรือไม่คะได้ถ้าเขามีเดือกเขาไม่อยากจะกินเขาจะเอาไปให้ใครก็ได้เป็นของของเขาแล้ว ถ้าเราเห็นว่าไม่ควรเข้าหลังก็อย่าไปใส่ให้เขาก็แล้วกันถ้าเราไม่ชอบคนขายกาแฟแล้วก็เอาของที่เราใส่บาปไปให้คนขายกาแฟมาหลังเราก็อย่าไปใส่คำ ถ, ถามจากคุณเล็กเวลาเราทําบุญจําเป็นต้องอธิษฐานหรือเปล่าคะอ๋อไม่จําเป็นหรอกการอธิษฐานนี่เป็นการกระทําเป็นการตั้งใจ ควรจะทำก่อนนะคับควรจะทำก่อนทำบุญเช่น ว, วันนี้เราอธิฐานว่าวันนี้จะมาฟังเทศเราต้องตั้งใจก่อนเราถึงจะมาได้ใช่ไหมคนที่มาวันนี้ตั้งใจกันหรือเปล่าคำตั้งใจนี้ก็ภาว่าอธิฐานแล้ววันนี้ไหมคำถามจากคุณลูกเป็นแม่บ้านเจ้าค่ะสามีทำงานคนเดียวใช้เงินที่สามีให้ไปทำบุญกุศลต่างๆ สามีสนับสนุนในการทําบุญที่ฉันได้บุญด้วยใหม่เจ้าคะคือสามีเขาได้บุญตั้งแต่ที่ให้เขาให้เงินเราแล้วนั่นก็เป็นการทําบุญของเขาแล้วแล้วส่วนเงินที่เราได้มาเราจะไปทําบุญมันก็เป็นบุญของเราแล้วถ้าเงินที่เราไปทําบุญกลับไปคนหนึ่งเขาไปทําบุญต่อเขาก็ได้บุญอีกเงินก้อนเดียวกันเนี้ได้บุญหลายคนด้วยกันอะจะได้ทุกคนเลยถ้า คนนี้ก็ไม่เก็บเอาไว้ได้มาก็เอาไปทําบุญต่อคนนั้นก็เอาไปทําบุญต่อมันก็ได้บุนกันไปเรื่อยๆแต่งนั่นเงินก้อนเดียวนี้ได้บุญต้องเยอะแยะต้องได้ลงหลายคนพอคนไหนเก็บไวป้ปักคนนั้นก็ไม่ได้บุญเลยคนนั้นไปซื้อขนมกินก็จบนเอยแต่แม่ค้าก็อาจจะเอาเงินที่ไปขายขนมมาทําบุญต่อก็ได้มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้ คำถามจากคุณเลิฟลี่การทําสมาธิของผู้เริ่มสมาธิทําอย่างไรบ้างคะก็ให้ฝึกพุทธโธไปก่อนให้ท่องพุทธโธไปก่อนก่อนจะมานั่งนี้ต้องท่องพุทธโธให้ได้ก่อนต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็นั่งหนูพุทโธแล้วหลับอ่ะหลับก็ยืนยืนพุทโธสิแล้วก็เปลี่ยนมาพุทโธอ่ยืนพุทธโธเดินพุทธโธก็ได้อ ถ้ายังนลับอยู่ก็ใช่ยังนั่งไม่ได้ก็เดินพุโทโธไปก่อนยืนพุโทโธไปก่อนก็ได้คำถามจากคุณอนงนะัดเงินที่ได้จากญาติโยมมาทำบุญระหว่างที่เป็นพระถ้าเอาเงินดังกล่าวไปทำบุญต่อพระจะได้บุญไหมคะได้กันอย่างที่เมื่อกี้บอกแนละ้วคำถามจากคุณวาสนา บางครั้งใส่บาทเห็นคนเอาเงินใส่ในบาทถูกต้องหรือเปล่าคะคือคนใส่ใส่ได้แต่คนรับนี่รับไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้ต้องสละให้คนอื่นไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้รับเงินรับทองแต่คนใส่บางทีเขาไม่รู้เขาก็ใส่ไปคนใส่ก็ได้บุญใส่ซองแล้วใส่บาทอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไคะไม่ได้ต้องฝากลูกศิษย์ไ ว, <อ>ฝไว้ฝากลูกศิษย์ไว้ได้อยู่แล้วก็ เวลาต้องการซื้ออะไรก็บอกให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้คํถาถามจากคุณปลาณีเวลาไปทําบุญชอบมีปัญหากับสามีจะทํายังไงดีคะสามีชอบดื่มเหลา้าก็อย่าไปบอกเขาสิอย่าไปบอกว่าเขาเราไปทําบุญคําถามจากคุณกมลทิพย์เวลานั่งสมาธิแล้วเหนือหน่อยเป็นเพราะอะไรคะเพรานะขี้เก <y> ียจนะเวลาดูหนังมันเหนื่อย ก็ก่เลนค่ะคำถามจากคุณอีฟถ้าขณะปฏิบัติเกิดความกลัวก็ให้ดูความกลัวนั้นหรือว่าให้เจริญกรรมฐานต่อไปคะ่ะให้นึกถึงว่าพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากลัวคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถ้าลูกเดินจงกรมแล้วสวดบทอิปิิโสไปด้วยได้ไหมเจ้าคะได้กวรจะสวดไปภายในใจจะดีกว่าอย่าออกเสียงเพราะว่ามันอาจจะดูแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่เรียบร้อยเพราะทำเนียมเวลาสวดบนเข้ามักจะนั่งกันนั่งสวดกันถ้าเราจะสวดไปภายในใจนี่สวดได้สวดที่ไหนก็ได้อยู่ในห้องส้วมก็สวดได้เอ ถ้าสวนออกเสียงแล้วมันจะไม่เหมาะสมคำถามจากคุณกุ้งการที่เราเห็นสถานที่ที่เหมาะสมกับเราเป็นที่สงบเหมาะแก่การภาวนาแล้วเราไม่ค่อยได้ไปทำบุญที่วัดต่างๆที่เราเคยไปจะเรียกว่าเราละทิ้งครูบาอาจารย์และขาดความกระตันยูไหมคะเพราะกว่าที่เราจะมีเวลาว่างจากงานพอเราพอเราว่างก็อยากเข้าปฏิบัติทำเลยคะ่ะ ไม่หรอกก็เหมือนกับเราเรียนจบชั้นมัธยมเราก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยเราก็ไม่ได้ลืมครูบาอาจารย์ที่สอนเราที่มัธยมเพียงแต่ว่าเราเรียนจบตรงนั้นนะเราก็ต้องไปเรียนที่ใหม่ต่อตอนต้นเราไปทําบุญกับครูบาอาจารย์สังเทศสังธรรมแล้วพอเราได้ที่ปฏิบัติธรรมเราก็ไปปฏิบัติธรรมของเราอันนี้ก็เป็นการพัฒนาการปฏิบัติของเราให้สูงขึ้น ไม่เป็นถือว่าเป็นการกับอากตันยูหรืออะไรทั้งนั้นเป็นการกระทําตามคําสอนของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะสอนให้ไปปีกวิเวกไปอาที่สงบไปภาวนาไม่ให้มานั่งเกาะชายก็เหลืองอยู่ไปได้แล้วแปลว่าฟังเทศฟังธรร ม, มพอแล้วไปปีกวิเวกขาที่สงบได้แล้วฟังเงินปักโอ้โหฉี่แล้วยังยาว คนพูดก็ปากเปียกปากฉีกแล้วยังมาฟังอยู่นั่นแหละเมื่อไหายมันจะไป ท, ทันทีอ้าปากเปยกไว้แวบ้างสิเห <c oughs> นื่อยจะไปเหนื่อยยังเหนืกก่อยก็พักก่อนก็ได้คำถามจากคุณรตีทางสมาธิยังไงให้สงบครับก็ต้องมีสติกงยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อยู่กับนมอย่างเดียวหร่ออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจิตก็จะสงบได้ยังต้องฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเพราะถ้าไม่นมีสติแล้วมันจะไม่ ม, ไ ม, มันจะไม่หยุดคิดแล้วมันก็จะไม่สงบคำถามจากคุณมดตี้เวลาสวดมนต์ต้องจุดทูบเทียนไหมคะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ตามใจแต่ไม่จุดได้ก็ดีมันจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องไฟ เริ่มมีควันมาคอยรบกวนถ้ามันเข้ามาในจมูกเราปฏิบัติบูชานี้ไม่ต้องจุดธูปจิตเชไม่ต้องมีดอกไม้อะไรทั้งนั้นกอดผ้าสามหก็นั่งสมาธิเลยไม่ต้องมาไหว้ครูกันเหมือนมวยกว่าจะชโชคกันนี่โค้ยล้กันรอบเวทีพอจะโชกจริงๆหมดแรงคนดี้ทหรื อ, อไม่ใช่ได้ถาม อ, อยูแล้วเครับ คำถามจากคุณนาโนมีคนสองคนทะเลาะกันเรื่องพระเครื่องว่าเป็นหรือไม่เป็นเดระฉันวิชาจะอธิบายสองคนนี้อย่างไรครับก็ไม่ไท้องมาอธิบายก็ไม่มาถามเราก็ไม่ต้องมาที่บายถ้าเขาถามเราเราก็ค่อยอธิบายเข้าไปคำถามจากคุณตัญหากระผมไม่ยึดติดเครื่องการฉันอาหารเพียงฉันเพื่ออยู่ดํารงชีพ บําเพรนละกิเลสอยู่ได้แต่ที่วัดของกระผมฉันอาหารมังสาวิลัตอาหารเจคำถามมาไม่หมดค่ะอยังมาไม่หมดนะส่งก็ามาให้หมดสิส่งต่อก็ามาคืออาหารเราอย่าไปเลือกเอาให้กินตามมีตามเกิดที่วัดเขากินเจก็เจกับเขาเขากินเนื้อกั็เนื้อกับเขาอย่าไปทําให้มันวุ่นวายไม่เข้าท่า กินได้ทั้งนั้นเจนแล้วไม่เจมถ้าตามใดเนื้อที่เรากินเราไม่ได้ฆ่าเองก็สั่งให้เขาฆ่านี่ไม่บาป ก, กินได้มาลนะคำถามต่อคำถามของคุณปัญหานะคะอ่านเลยกระผมไม่ยึดติดเรื่องการฉันอาหารเพียงฉันเพื่ออยู่ดำรงชีวิต บําเพ็ญรักกิเลสอยู่ได้แต่ที่วัดของกระผมฉันอาหารมังสวิรัตอาหารเจโดยเขามีกฎเกี่ยวกับศีลยึดศีนว่าการกินเนื้อสัตว์มันเป็นบาปผิดศีนข้อหนึ่งปานาติปาป า, ปากระผมจะผิดศีนใหม่ครับที่กระผมไม่ยึดติดเรื่องการฉัน อ, อ๋อไม่ไม่ผิดหรอกอย่างที่บอกแล้วว่าเนื้อสัตว์ที่เรากินนี้ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาฆ่าหรือเราฆ่าเองไม่บาป เนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามาแล้วโดยที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาทําให้เรากินนี้ไม่บาปค่ะคำถามจากคุณบายชมพูายชมพูเรือบัวชมพูใ บ, บนะปฏิบัติมาหลายปีแล้วเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วมากและรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นและเห็นต่อว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมัน มันก็เกิดตามเหตุปัจจัยของมันแต่มันก็แยกระหว่างจิตที่อันหนึ่งอารมณ์อันหนึ่งก็พิจารณาต่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิตาคำถามคือเราทุกข์เพราะเรายังเข้าไปยึดติดในอารมณ์ว่าเป็นเราแต่ตอนนี้อารมณ์อย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งความเป็นเราที่จะมันเป็นไปตามอารมณ์น้อยมาก พราะเราใช้ปัญญาในการพิจารณาทั้งความพอใจและไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นตามอนุสัจอนุใสเหมือนศัก์แต่ว่าคําว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตที่บริสุทธิ์พอไม่กําหนดไปตามอารมณ์ถ้าเราทําอยู่อย่างนี้ไม่หยุดก็ถึงมิพลานได้ใช่ไหมคะได้ถ้าเราหยุดไปมีความอยากกับมีอารมณ์กับอารมณ์ที่มาสัมผัสรับรู้ ใครดารู้เฉยๆอย่าไปนักไปชังอย่าไปกลัวไปหลงก็ถึงนิพพานได้ใครด่าก็อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจใครชมก็อย่าไปดีใจให้ถือว่าเหมือนกันคำด่ากับคำชมก็เท่ากันขอพระอาจารย์อธิบายคําว่าจิตไม่ใช่เราค่ะก็มันไม่ใช่เราเราไปเรียวกว่ามันเราเองเหมือน เหมือนเอนรถของคนอื่นเราไปไปอยู่ดีๆก็ไปบอกว่าเป็นของเราขึ้นมาเองมันเป็นของคนอื่นแต่เราไปบอกว่าเป็นของเราแล้วเราก็ไปเชื่อว่าเราเป็นของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราแต่เราไปเคลมว่ามันเป็นของเราแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นของเราก็เท่านั้นเองเราก็อย่าไปเคลมเลยอย่าไปอย่าไปว่ามันเป็นของเราแล้วอะไรที่เป็นของเราอะคะไม่มีจะรู <mountains> ้ก<ๆ>็ไม่ใช่ อตัวรู้ก็ตัวรู้ไงตัวเราก็คือมันเกิดจากความคิดไความคิดของสังขารความคิดปรุงแต่งแม่ตัวที่ไปนิพพานเป็นนิพพานนั่นคืออะไรก็ตัวรู้นี่แต่ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันอ่าตัวรู้คำถามต่อไปจากคุณล็อกนะครับเคยลองนั่งจเจริญจิตภาวนาว่าจะนั่งได้ถึงสี่ชั่วโมงหรือเปล่าก็นั่งได้เจ้าค่ะพิจารณาเวทนาไปตลอดปฏิบัติเช่นนี้ทําถูกไหมเจ้าค่ะ คือนั่งเพื่อให้เราพิจารณาเห็นว่าเวทนาเป็นอวิจังทุกขังอนัตตาเราต้องไม่มีความอยากในทุกขเวทนาคือไม่อยากให้มันหายหรือไม่อยากให้มันอะไรทั้งนั้นมันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปคือโดยสรุป ก, ก็คือไม่ให้เรากลัวความเจ็บของร่างกายอยู่กับความเจ็บได้มันเจ็บเท่าไหร่ก็อยู่กับมันได้ถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็ เราก็หลุดพ้นจากความเจ็บของร่างกายไม่ทุกข์กับมันในต่อไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุพันธนีครับกายของเราเป็นครูที่ดีที่สุดเห็นได้ชัดเจนที่สุดใช่ไหมคะก็มันอยู่กับเราไม่ใช่นะอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดจะเห็นอะไรชัดกว่าตัวเรานะ่ะแต่เราไม่ชอบมองตัวเราเราชอบไป ม, มองตัวคนอื่นนะเลยมองไม่เห็นตัวเรา ที่จริงน่าจะเรียกว่าตัวขันท่านะไม่น่าจะเรียกว่าตั ว, ตวเราบางคนไม่ใช่เราคออำถามจากคุณกุ้งนะครับมีเพื่อนบางคนบอกว่าทําไมเราถึงลาทิ้งครอบครัวไปแต่วัดทําไมไม่ทําไมไม่เอาทําไมไม่เอาให้แก่ลูกพาลูกไปเที่ยวในวันหยุดไม่รู้จะตอบเพื่อนอย่างไรว่าเวลามีค่านักกว่าจะสละกาก ง, งานไปวัดได้เจ้าคะ่ะ กแล้วแต่เราต้องการอะไรแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องการันถ้าต้องการพาลูกไปเที่ยวก็พาลูกไปเที่ยวถ้าต้องการไปวัดก็ไปวัดก็มีเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนกันทุกคนคนที่อยากจะพาลูกไปเที่ยวก็พาไปสิคนที่อยากจะไปวัดพาลูกไปวัดก็พาลูกไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมคำถามต่อไปจะคุณจกักรริครับ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าปัญญามีกี่ระดับพระปัญญาก็มีสมระดับสุตตมยะปัญญาจินตามิยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาสุตตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นเวลาเราฟังเทศน์วันนี้เราได้ปัญญาละได้ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามิยะปัญญาก็ปัญญาที่เกิดจากการเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ไปคิดไข้กวนต่อ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมอันนี้ก็จะเป็นจินตามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากความคิดคิดในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเพื่อไม่ให้มันลืมหรือคิดด้วยขึ้นด้ว ย, ด, ว ย, ด, วยด้วยตัวของเราเองก็ได้คิดว่าอ๋อต้อนไม้นี้มันเกิดแล้วมันดับแสดงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดแล้วปัญญาระดับที่สามี้ก็ภาวนามนยปัญญา คือ ป, ปัญญาที่เกิดจะหลังจากได้สมาธิแล้วปัญญาที่มีสมาธินี้เป็นปัญญาที่ดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้แต่ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแด้คิดนี้ยังไม่มีกําลังพอต้องไปฝึกสมาธิต่อพอมีสมาธิแล้วก็เอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังนี้หรือที่คิดนี้เอามาใช้ดับกิเลสได้เช่นเวลาทุก์กับสามีก็บออ้ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไปก็ให้มันไป อยากไปอยากอยากให้มันอยู่ถ้าอยากให้มันอยู่แล้วมันจะทุกข์ถ้าให้มันไปแล้วก็จะไม่ทุกข์ห้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะถ้าถ้าดับได้ก็แสดงว่ามีสมาธิเราเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาถ้าดับไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ของเราทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่เที่ยงเขาจะไปก็ยังไม่ยอมไม่เขาไปอย่างนี้ก็ทุกข์ คำถามต่อไปจากคุณนาโนนะครับสังขารในขันห้ากับสังขารในปฏิจะสมุตบาบัดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็วิญญาณในขันห้านั่นนะอันนี้จะอวิชาปัจจญาสังขารสังขาราปัจญาวิญญาณนะั่นเราก็ไปที่อายตนะต่อ นนหมดละครับหมดละเออพอละเหนื่อยละวนันนี้ชั่วโมงคึ่งมันคำถามเยอะแยะหมดลเลยคิดว่าพอสมควรกับเวลานะาจะได้พักผ่อนหลับนอนกันบ้างก็ขอให้นำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน